เราใช่ตาเราใช่หูเราใช่จมกูกเราใช่ลิ้นเราใช่ใจิตใจสาเร็จประโยชน์รับขวางชั่วได้ทําความดีได้ทํากิจเท็บริสุทธิ์ชีวิตนี้ถ้าเราสอนมันดีๆมันสําเร็จถึงจุดหมายปลายทางคือมรรคผลที่ผ่านเป็นที่สุดถ้าเราไม่หัดไม่สอน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 แต่ว่าโง่กับตัวเองโง่มากฉลาดคนอื่นเอาลัดออเอาเปรียบกันเปรียดเบียนกันไว้จุดไม่มีอะไรหลงไปตั้งชาติเราจะมาสิกขาและทำเป็นเครื่องเรื่องชีวิตของเราสิกขาคือศีลศีลคือปกติมีสติอย่างที่พูดในฟังเมืา่อวานเนี่ยสิกขาก็คือมีสติว่ามีสติมันก็ละความชั่ว ตอนลบความชั่วก็เป็นศีลแล้วมีสติก็ทำความดีก็เป็นบุญแล้วคนทำดีเพราะมีสติคนับชั่วเพราะขาดสติแล้วก็มีเช่นนี้มันไม่มากเราก็เห็นม่ลีมนรับเวลาใดเราทำชั่วแสดงว่าขาดสติหลงไปแล้วกลับคืนมาได้ปฏิบัติคือกลับมา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 หลายโภหลายภูมิรับใช้สิ่งต่างๆจับสัตา์อาวุธเป็นยักไปแล้วไอ้รูปนี่มันหิวไม่รู้จะ ก, กินจกพอเป็นเปลดไปแล้วไอ้รูปนี่มันงู้ไม่ดูจยากแก้ไขตัวเองเอารูปมาเป็นสุขเป็นทุกข์รูปมาเป็นอะไรออกหน้าออกตาเกิดจากรูปปีพบปีชาติหลายอย่าง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 สัมผัสกับจมูกรู้สึกตัวล่กายสัมผัสกับผลิตภัณฑอารมณ์ความร้อนหรือกิตใจรู้สึกตัวเท่านี้ประโยคด้วยน้อยพระพุทธเจ้าสนอนถ้าภัยยะไม้เหมือนพระโกธิยะเลยอันนี้ขอภัยจำไม่ได้เลียนจบเพื่ไต่โดดเพืสูตรต้องจบหมด พระพุทธเจ้าเรียกว่าภิกษุใบล้านเปล่าเวลามากราพุทธเจ้าพอ้เจ้าก็มาเล่าหรือภิกษุใบล้านเปล่าเวลาจะกราบลาพุทธเจ้าพอ้เจ้าว่าพวดเอกว่าไปแล้วหรือภิกษุใบล้านเปล่าไม่พูดอะไรโอจิลาก็เสียใจน่าจะสนเสริญเรา เรียนเก่งจำวสูตรไปที่ใดสัจฉานชัดเจนขี่แจ้งแสดงทำโหน่นเทศนาที่นี่เครื่องนี้อสูตรนี้เทศ น, น, น, นท์นั่นมีนคนบางเที่ยนนั่นบรรคนบรรลุทรรมที่นั่นกระสูตรต่างๆปฏิปทานสูดอัตตะลัคนาสูดอธิตะปียาสู์ธรรมจักกุฏะสูดต่างต่างเยอะแยะไปเลยโลโมอดไปที่ใดนี่ยคม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 มันหนาวโอ้เธอก็อทำถ้าจะไม่ลองไปสิลองไปเนน้อยเอา้าบอกแนน้อยสอนก็ต้องเชื่อฟังเนน้อยก็บอกว่าถ้าบอกอะไรก็เชื่อฟังนะครับจะเชื่อฟังเออลงไปถึงผ้าเพียงเขาเอาไม้เน้นพอไหมหยาบลงไปอี ก, อ ล, งอกลงไปถึงเอวเอาไม้เน้นไม่พอเอาลงไปอีกน้าเพียงอก พอหอยังเน้นไม่พอลรอกอีกน้าเพียงปากพูดไปได้ปบปบปบอันนอ้นาก็ครื่องเหมือนกันมาเขามาขึ้นมาก็นี่นาก็สอนมีจอมปวกจอมหนึ่งมีรูหกรูมีตัวเหี้ยอยู่ในจอมปวกจะจับตรงเหี้ยได้ยังไงโตที่ะก็ชิได้ตอบจะไงหกรูตาหูจมกเรี่ยงหายใจ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 ยถธ า, าปัจจยังประวัติธรรม น, งนมังธาตุมัตตะเมวะตังสิ่งเหล่านี้เป็นจอกรวาธาตามธาต า, านั้นกําลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจยนิดยาที่ทางจีวหลังตะทูปปุญญโกจะปุกโลจีวรนนี่จอดมาแต่เดิมเมื่อถูกกับกายอดเด้าอยู่เปน็นนนี้แล้วจอมสศกปกเป็นน่าเกียด่างยิ่งไปด้วยกัน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 ปฏิบัติที่กรรมารู้เป็นที่ตั้งที่ตั้งรูว้ว่ากรรมฐานกรรมาฐานคือที่ตั้งฐานคือที่ตั้งกรรมการกระทํากรรมนี้จะลิขิตไปเองไม่ต้องไปใช่เหตุใช่ผลก็ไปความชอบไม่ชอบเป็นใหญ่เป็นโตให้มีการกระทําเกิดขึ้นทวกเราพวกกันอย่างนี้ชวนให้ทำอย่างนี้เราก็เป็นเพื่อนอยู่นี้มีอะไรก็อยู่เหมือนเหมือนกัน ไปอนนี้เราหนาวก็เหมือนกันอะไรก็เหมือนกันไปกินข้าวก็เหมือนกันอาหารอย่างเดียวกันเห็นอกแห็ง ใ, ใจกันตัวเขาตัวเราไปเปลี่ยนกันทาไมทีใหม่แล้วมาดีต่อกันเถอะมาดูแลตัวใครตัวมันให้คุ้งปฏิบัติธรรมคือแลตัวเองให้ดีๆจะให้ไปรบกวนอะไรที่ไหน